เออเออแอนดี้แอนดี้นมี่เออเออเออเออเออเเออเออเออเอเอออ แล้วตามไปต่อที่เจียงายตอนนี้เป็นไงบ้างได้เข้าว่าเธอไม่สบายเธอบอกโอเคมากเห็นเธอดูเจ็บจนเจียนตายกับเขาเป็นไงบ้างเห็นเธอโดนหลอกจนเปลย เธออะไรไม่ฟังยังพูดกีก่ครั้งก็แบบเดิมเธอเกิดพูดว่าเธอจะไปแต่ว่าสุดท้ายก็แบบเดิมใช้ชีวิตตั้งนานไม่เคยเจอใครที่แบบเธอตอนนี้เธอกำลังจะไปไม่เคยเจอใครพูดแบบเธอผงก็พันละวันเปนวันก็ได้ดไดแต่แอบเติมตอนที่เธอกำลังจะไปแต่ผมก็ได้แต่แอบเถอเรามันคงไม่รวยแต่คงไม่ชอบมันแบบเดิมใช้ชีวิตกันมาตั้งนานไม่เคยเจอใครที่แบบเธอบิโคราชแล้วตามไปต่อที่เจียงไฮ้ 01. ตอนนี้เป็นไงบ้างได้เข้าว่าเธอไม่สบายเธอมองโอเคมากเห็นเธอดูเจ็บ จนเจียนตายกับเขาเป็นไงบ้างเห็นเธอโดนหลอกยังเป็นควายชาวบ้านเลยโยนโยนปล่อยปราใจมาเป็นตะอ่อนโซน้อถนนบินมาโคราดแล้วตามไปต่อที่เจียงหายตอนนี้